นามสการหลวงพ่อครับยังยังไม่ได้มีคำถามอะไรครับก็สวัสดีทุกๆ ท, ท่านนะครับพอดีอันนี้เผื่อท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็หลวงพ่อจากหลวงพ่อออสนะครับวัดป่าสุขตโตนะครับก็ท่านก็จะแสดงเทศนาธรรมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องของหลักของตัวรู้นะครับก็แต่นี้ก็ทุกทุกวันก็ประมาณ1ิบโมงถึงประมาณเกือบเกือบสเ็ดโมงครับก็ อยากจะให้ทุกท่านขึ้นมาแลกเปลี่ยนนะครับสนทนาแล้วก็ถามความรู้ได้นะครับก็คืออาจจะติดขัดตรงไหนนะครับก็สามารถขึ้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้นะครับอะมีท่านใดขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวผมเชิญนะครับคุณชาติวินยูนะครับกับคุณอําอนาจเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาต เชิญขึ้นมามนบนเต๊น์นะครับรครับครับคุณสุรเชษนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอคิวให้คุณสุรเชษก่อนนะครับเชิญครับคุณมัสกันหัวอาจารย์ครั บ, อ บ, บ, อรบพอดีดีผมก็ได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกสติบ้างจากตอนที่เรียนนะครับทั้งนัและสมัยเทคโนอาจารย์สมใจถ้าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมรมนะครับ อันนี้ท่านไปวิวอดอยู่วัดป่าสุตโตละตครับผมอ่าคื อ, อผมก็ได้ได้อ ไ, ได้ฟังนะครับได้ฟังท่านอาจารย์คำพลนะครับที่มาสอนผมนะครับว่าอะไรดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมอะไรเนี่ยในความหมายลึกดูดูกายผมผมเริ่มรฝึกพอดูได้บ้างครับผมใช้วิธีปันจักรยาน ที่ที่ที่ที่เห็นนะที่เห็นในตอนที่ทุกนะครับอ่าเลยเห็นบ้างแล้วก็ใช้ประโยชน์ในการดูแลเยียวยาใจตอนป่วยด้วยนะครับเนี่ยดูกายเห็นจิต ด, ดูอะไรนะ <c oughs> ลืมแล้วนะขอการกัน <c oughs> อ <c oughs> ย่างนี้ก่อนนะโยมเนาะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นธรรมะสดๆเป็นปัจจุบันขนาดเมื่อกี้หลวงพ่อจะต่อยอดคือจะชี้ให้เห็นเนาะ ที่โยมเล่าเรื่องอดีตเป็นประสบการณ์่ะโยมบอกว่าเออมีการดูกายดูจิตเนาะแล้วก็มีผมเป็นคนดูนึกออกไหมมีผมคนดูเพราะฉะนั้นปัจจุบันเดี๋ยวนี้ให้รู้ตัวเสียว่าไอาตัวผมเนี่ยคือสังขารทั้งแพ่งเลยสังขารที่เกิดแก่เจ็บตายยึดถือไม่ได้เพราะนั้นรู้ตัวรู้ตัวไหนละตัวผมมันแหละที่พูดขึ้นมาเมื่อกี้ก็คือรู้ตัวเองเดี๋ยวนี้นี่คือเป็นปัจจุบันขณะสามารถพ้นทุกข์ได้ในฉับพลันเพราะว่าเมื่อรู้ตัวเอง เข้าใจด้วยปัญญาว่าไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ตัวเองเนี่ยคือสังขารมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงพระพุทธเจ้าสอนให้วางให้หมดไม่อุปทานในขันธ์ทั้งห้านะเพราะนั้นตัวเราที่บอกว่าผมเป็นคนดูเนี่ยให้รู้ตัวผมในปัจจุบันเนี่ยและพ้นทุกข์ได้เลยที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ถามรู้ตัวเรา รู้ครับรู้ตัวเราแล้วก็แล้วก็ต่อด้วยปัญญาว่าตัวเรานี่คือเป็นสิ่งถูกรู้แล้วตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆเป็นแค่เคยหลงผิดว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราบัตรนี้มันเป็นแค่สังขารเกิดดับมันเป็นตัวตายยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือก็จะตายไปกับมันแต่ถ้าไม่ยึดถือมันก็ตายไปของมันแต่ไม่มีเราตายเพราะเราไม่ใช่สิ่งนั้น ออเรียว่าตอนป่วยผมผมผมดูดูนี่ก็ถูกเลยนะครับเพราะว่าผมคนไหนเอ๊ะผมก็คือตอนนี้ใช่ไหมคนเดียวกันใช่ไหมอ๋อขนาดรู้อ่ารูา้ผมไปเลยรู้ตัวไปเลยว่าไอาตัวเนี้ยไอตัวผมเนี้ยอ่าทุกขณะข น, นั้นไอตัวที่ ท, ท, ที่ที่เราเราป่วยอยู่ครับเอาปัจจุบันครับปัจจุบันครับ รู้ตัวผมเดี๋ y ี้รู้ตัวผมเดี๋ยวนี้ว่าไอตัวผมเนี่ยคือตัวตายยึดถือมันไม่ได้ทิ้งมันไปอครับผมผมผมเล่าเล่าถึงตอนตอนนี้ผมป่วยเฉยเออเพราะว่านิ้กํำลังทำอไรม่ได้หลวงพ่อกระตุกให้รู้ตัวรู้ตัวคือรู้ตัวเราปัจจุบันนี้ว่าตัวเราคือตัวตายยึดถือไม่ได้ทิ้งมันไปรู้จักตัวเราไหมเอยตอบหลวงพ่อก่อนรู้จักตัวเราไหมตัวเราเนี่ย ตัวเองไรู้จักไหมตัวเองอ่ายังหาเลยเนี่ยยังหาเลยยังหางตัวเอ ง, งไม่เจอยังองอยู่งงเนาะเออใช่ใชต้องคุยกับหลวงพ่อบ่อยๆแล้วก็จะรู้ปัจจุบนันแล้วก็พ้นทุกได้เลยถ้าถ้ารู้ถูกตัวถ้ารู้จริงตอนนี้แค่บอกว่ารู้ตัวไม่รู้ตัวผมยังหาตัวผมอยู่เลยไอ้ตัวที่หาก็คือตัวผมนี่แหละไอ้ตัวผมหาตัวผมอยู่ตอนเนี้ยคนอื่นก็ยังรู้เลยว่าตัวโยมคนไหนแต่ทาไมเราไม่รู้ตัวเราล่ะนะ เห็นมีการเคลื่อนไหวมีความคิดความแอบเออเอาเดี๋ยวนี้นะดเดี๋ยวเดี๋ยวโยมโยมลองลองฟังไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเนาะเพราะตอนเนี้ยมันมันมองไม่เห็นตัวเองอยู่แต่ตัวเองอะไปเห็นอดีตอยู่แต่ไม่เห็นตัวเองที่เป็นผู้รู้อดีตอ่าเนี๋ยวนะลองสักพักนึงก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อเน้นในเรื่องปัจจุบันขณะเนาะรู้ตัวในปัจจุบันขณะแต่สามารถพูดเรื่องอดีตได้หมดแต่ให้รู้ตัวว่า เราเนี่ยเป็นคนพูดเราเนี่ยเป็นเล่าเรื่องในเรื่องอดีตเราเนี่ยเป็นคนรู้เรื่องอดีตเพราะฉะนั้นให้รู้ตัวเราผู้รู้เนี่ยให้รู้ตัวเราผู้จําเนี่ยให้รู้ตัวเราผู้ผู้เล่าเนี่ยนะเออเป็นปัจจุบัน <Okay. S 1> เพราะตัวเราเนี่ยเน้นเลยสําคัญตัวเราคือทั้งตัวคือขันห้ามันยึดถือไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเห็นตัวเราถ้ากล่ว่าเห็นเห็นขันทั้งห้าเลยพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วก็ไม่ยึดถือมันคือหักตงที่ว่ารู้แล้วก็ยึดถือไม่ได้ ถ้ายึดมันเป็นโทษเป็นภัยคือเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงพูดง่ายๆเนี่ยนะตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงถ้าเรายึดเวลาตัวเราตายเนี่ยเราก็จะตายไปกับมันแต่ถ้าไม่ยึดไม่มีผู้ตายมีแต่ขันห้ามันตายเนาะค่อยๆฟังนะหลุดพ้นในปัจจุบันขณะนี้แหละธรรมะ ส, สดๆใช่ใช่ใช่ปัจจุบันล้วนๆครับผมโอใช่นะสาธุนะฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะ ครับเชินคุณอำนาจต่อนะครับเกิดกล่าวกับมาสุจานหลวงพ่อครับอยากจะบอกหลวงพ่อว่าผมเมื่อกี้ผมฝืนกรับฝืนฝึกฝืนนยูครับใจอยากพูดนะครับก็ฝืนตัวเองไว้ครับผมว่าการฝึกฝืนก็คือการเริ่มต้นในการฝึกการรู้ตรวนะหลวงถ้าหลวงพ่อจะถามนะว่า เมื่อกี้ว่าใครฝืนนะใครเป็นคนฝืนอตัวผมเปนฝืนอ่าให้รู้ตัวผมครับให้รู้ตัวผมครับว่าตัวผมมียังมีตัวอยู่ครับไอตัวตัวผมคือตัวไหนคือตัวฝืนครับแล้วก็ให้รู้ว่าไอตัวฝืนเนี่ยคือขันห้ามันต้องตายให้รู้ให้เห็นว่าตัวผมเนี่ยคือขันห้าเป็นตัวตายแล้วก็ถ้าไม่ยึดไอตัวผมเนี่ยคือได้แต่รู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่มีผู้ยึดก็จะไม่มีผู้ตายไปกับมัน ถือยึดเมื่อไหร่เนี่ยตายไปกับสิ่งที่ยึดหมดเลยเพราะสิ่งที่ยึดเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยเกิดแก่เจ็บตายหมดเพราะฉะนั้นรู้ว่ามันมีอยู่แต่ก็ไม่มีใครยึดถือถ้าไม่มีใครยึดถือก็ไม่มีผู้ตายแต่ถ้ายึดถือก็จะตายไปกับตัวมันตัวมันก็คือตัวที่โยมบอกว่าผมมันแหละหลวงพ่อครับถ้าเราถ้าเราไม่มีสติเราสืไม่ได้ใช่ไหมเอาเดี๋ยวก่อนในประเด็นที่หลวงพ่อพูดเข้าใจไหม ครับหลวงพ่อวันนี้หลวงพ่อจี้ปัจจุบันมากนะแต่ว่ายมคุยได้ทุกเรื่องแต่ว่าหลวงพ่อก็พยายามจะต้อนให้มันเข้ามาในเรื่องรู้ตัวรู้ตัวเราที่ที่เป็นผู้พูดนึกออกไหมเพราะว่าคือถ้าถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็จะพูดไปแบบแบบไม่รู้แล้วก็ไอความไม่รู้เนี่ยมันลึกๆคือมันเป็นตัวเราพูดแต่พอมารู้ตัวปั๊บพอมารู้ตัวผู้พูดจะไหมก็จะนึกเลยว่าอ๋อไอตัวผู้พูดนี่มันเป็นตัวตาย เดี๋ยวคำว่าตัวตายพอเข้าใจไหมคือตัวเนี้ยเกิดมาแล้วมันต้องตายไงผู้พูดก็คือตัวตัวผู้พูดเนี่ยตายเพราะฉะนั้นเห็นไอ้ตัวที่มันตายแล้วก็อย่าไปยึดไอ้ตัวตายไม่มีคูอมันเกิดได้หรับเออคือให้ให้มันเกิดตายอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าไม่มีผู้ยึดเมื่อไม่มีผู้ยึดมันก็ไม่มีผู้ตายแต่ถ้ายึดว่าเป็นเราเราก็ตายไปกับมันแต่ถ้าไม่ยึดมันก็ตายไปอย่างเดียวแต่ไม่มีเราจะตายเพราะเราไม่มีครับ สิ่งนี้ที่ที่หลวงพ่อได้เคยกล่าวว่าสังขารใช่ไหมใช่ใช่สาธุครับนะก็ค่อยๆฟังเนาะมันจะเกิดสติปัญญาถ้าหลวงพ่อจี้แบบนี้ยเดี๋ยวจะเข้าใจไปตามลําดับแล้วคนอื่นๆนะอยู่ในห้องนะฟังให้ดีนะตรงนี้นะมันเป็นสุดยอดของธรรมที่พ้นทุกได้ในปัจจุบันเมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดรู้ใครแล้วก็รู้ที่ความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยอตัวเราผู้พูดพู้คิดผู้ถามเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยอย่าไปยึดมันแต่ต้องเห็นมันก่อน ต้องเห็นมันก่อนเมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งนี้ยึดไม่ได้ถ้ายึดแล้วมันเป็นโทษโทษคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเพียงแค่เห็นมันมันจะพูดก็พูดไปแต่ไม่ใช่เราพูดมันจะคิดก็คิดไปแต่ไม่ใช่เราเราคิดเห็นมันรู้มันอยู่นี่ก็เรียกว่ารู้สึกตัวในปัจจุบันรู้แล้วก็ไม่ยึดด้วยอ่านะครับหลวงพ่อ ผมฝึกต่อไปครับค่อยๆฝึกเลยครับเดียว่านอื่นคนอนนะลองฟังไปก่อนนะวันนี้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยนี่แก่นของธรรมหมดเลยและเป็นปัจจุบันขณะเนอะรู้ตัวปัจจุบันขณะครับเชิญคุณชมัยครับผมขอบคุณค่ะคุณโฟกับนามสการเขาหลวงพ่อวันนี้ขออนุญาตนำอดีตที่ชมัยพรเจอมามาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะคะหลายวันสอ อ, อธรรมะพูดต่างๆอ่ะสมัาพรก็รู้สึกอยากยกมืออยากยกมืออยากพูดอยากถามอยากแสดงความคิดเห็นแต่ก็บอกในใจว่าไปเรียนรู้กับตัวเองก่อนไปทําความเข้าใจก่อนอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งสักถามอะไรยเงี้ยค่ะแต่มาวันเนี้ยค่ะก็เมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อเชา้าในเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี้ค่ะก็จะนำมาให้เล่าให้หลวงพ่อฟังเพื่อที่จะสอบทานว่าสิ่งที่สมัยพรเป็นเป็นยังไงอันนัคะ ก็คือเมื่อเช้าเข้าห้องห้องหนึ่งแล้วก็มีการพูดคุยนู่นนี่นั่นอีกแล้วคะ่ะชมัยพรก็นำมาคิดต่อในขณะที่คิดชมยพรก็ตากผ้าไปด้วยแต่ใจอะคะ่ะมันก็ไปวนเวียนกับความคิดแล้วก็รู้สึกว่าเราก็เห็นมีตัวเห็นว่าเรากำลังคิดแต่ตัวที่เห็นว่าเรากาลังตากผ้ามันไม่ชัดเจนกับมีอีกตัวหนึ่งที่กำลังเห็นว่า เรากําลังหาทางออกว่าเราจะทํายังไงแล้วสุดท้ายก็มีตัวก็มีสิ่งหนึงที่หลวงพ่อหลวงพ่อเคยพูดว่าให้แยกขันขันที่เห็นขันที่คิดขันที่เรืองที่ที่กําลังได้ยินอะไรเงี้ยแยกออกไปใสมัยพรก็นะักวันนั้นอะ่ะสมพรก็อ๋อหลวงพ่อบอกว่าให้แยกไม่ต้องเอามารวมให้มันเป็นตัว สมัยวันเช้าวันเนี้ยสมัยลรก็เลยแยกอ่ะคิดก็คิดเห็นก็เห็นสุดท้ายชัยพรก็มาโฟกัสอยู่กับว่าร้องเพลงกลับมาทุกอย่างทิ้งหมดเลยแล้วมาทําจิตใจให้เบิกบานด้วยการร้องเพลงสิ่งมันก็เลยเห็นภาพเห็นเห็นตัวที่กําลังตากผ้าเห็นตัวที่กําลังมีความแช่มชื่นในใจที่กําลังร้องเพลงแล้วมีความสุขขึ้นแล้วก็ เห็นตัวที่กำลังรู้สึกว่าดีจังเราตัดไอ้คำตรงนั้นออกไปได้แล้วค่ะแล้วพอมาคิดทบทวนตรงนี้นะปัจจุบันนะคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันง่ายนิดเดียวคือตรงที่เราไม่ต้องเอาไม่เอาทุกอย่างมารวมกันให้เป็นตัวเราอะค่ะก็แค่เห็นก็พอแต่อาจจะช้าหน่อยแล้วบางบางภาพบางจุดที่เราเห็นมันอาจจะไม่ได้ชัด ถ้าเราโฟกัสสิ่งอื่นมากเกินไปอะคะ่ะตรงนี้ก็เลยมามาให้สอบทานมาให้ท่านได้มีชี้แนะเพิ่มเติมอะคะ่ะขอบพระคุณสาธุนนะที่แยกๆอะคือถูกแล้วเป็นการพิณาเพื่อแยกให้ออกมาเป็นส่วนๆเพื่อจะได้รู้ว่าไอา้แต่ละส่วนเนี่ยมันเป็นเราไม่ได้เช่นไปแยกรูป รูปแค่ส่วนเดียวเนี่ยเป็นขันขันเดียวนี่นะมันก็เป็นคนไม่ได้เป็นเราไม่ได้แยกเวทนาเป็นขันขันเดียวมันก็เป็นคนไม่ได้เป็นเราไม่ได้แยกสัญญาให้เหลือสัญญาหนึ่งเดียวมันก็เป็นคนเป็นเราไม่ได้แยกวิญญาณที่ตัวรับรู้อารมณ์ทางอวุตาจมูกลิ้นกายใจวิญญาณก็เป็นเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไม่ครบมันไม่ครบขัน เพราะว่าจะเป็นตัวเราได้เนี่ยคือมันรวมกันเป็นห้าขันเขาจึงเรียกว่าตัวเราแต่เมื่อมีเพียงขันขันแต่ละขันเนี่ยมันเป็นเราไม่ได้เลยเพราะนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าทำให้ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นว่าขันเนี่ยแต่ละขันเนี่ยมันเป็นอนิจจังคือสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราแต่ที่จะต่อยอดให้ปัจจุบันตอนนี้คือมีผู้แยกอยู่ต้องเห็นว่าผู้แยกก็เป็น สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกปันอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันตอนนี้เห็นผู้แยกแล้วยังตอนนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เห็นตอนนี้เห็นผู้แยกผู้แยกคือผู้แยใครผู้แยกคือตัวเราผู้แยกคือตัวเราคือตัวที่สองของเราค่ะผู้แยกเนี่ยผู้แยกเดี๋ยวเดี๋ยวคือตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีนะพาท่านถามก็เห็นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยเสียงเดี๋ยวเยเสียงสะเปิดมาอย่างไงหนอ ตรงนี้สำคัญมากโยมคนอื่นฟังด้วยนะโยมลองฟังสิว่าตามที่โยมเล่าเนี่ยคือมันมีตัวโยมอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ไปพิจารณาเป็นผู้แยกแล้วโยมเนี่ยก็จะมีความรู้ในการแยกแล้วก็โยมก็จะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วเมื่อโยมเข้าใจแล้วเนี่ยโยมเนี่ยซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เข้าใจเนี่ยหรืออาจจะบางอย่างก็ยังสงสัยโยมก็ยังเป็นผู้สงสัยหลวงพ่อก็จะบอกว่า โยมคนนั้นก็คือตัวโยมคนเนี้คนเดียวกันเพราะฉะนั้นให้มารู้ตัวเสียว่าไอ้ตัวโยมที่เป็นผู้แยกก็ดีผู้จําได้ก็ดีผู้เล่าเรื่องทั้งหมดก็ดีไอ้ตัวเนี้ยทั้งตัวเลยนะมันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นตัวเราในปัจจุบันเนี่ยก็จะมันจะทําลายความเป็นตัวตนได้เพราะเห็นถูกตัวถูกตัวยังไงก็รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยคือขันห้าแล้วก็เมื่อรู้จักว่าขันห้าก็คือมันไม่ใช่เราทั้งตัว แล้วเมื่อเห็นถูกต้องอย่างเนี้ยเพราะว่าพ้นจากตัวเราทั้งตัวแล้วก็เป็นความไม่มีแล้วนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะถ้ากับวางตัวเราได้ตั้งแต่ตั้งแต่ขณะจิตนี้ถ้ารู้ถูกตัวถ้ารู้ตัวเป็นในปัจจุบันมันหมดแล้วหมดตัวแล้วไม่มีตัวแล้วแล้วก็จบลงเข้าใจไหมทําให้เข้าใจให้ถามต่อเข้าใจค่ะก็คือมันทำมันก็ ม, ม, กมีเป็นที่ว่างของตัวเรากับอะไรก็นเนี้ย มันว่างๆที่เขารู้เนี่ยแต่เรามันไม่เห็นตัวตนไม่เห็นอะไรเลยมันก็เป็นว่างๆแค่ความรู้เออท่านั้นเองใช่ไอๆความว่างที่มีความรู้มันรู้อันนั้นแหละมันรู้เราเร า, เราไม่ต้องเอา ต, ตัวเราไปใส่ ไ, ไ, ไปใส่ในความในช่องว่างอีกแล้วเดี๋ยวเสียงมันมันดังอ่าหลวงพ่อใจเชี่ยวเห็นชัดนะว่าไอตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไอตัวเราที่เป็นผู้แยกเนี่ยนะไอเนี้ยมันเป็นเป็นกลุ่มก้อน แต่ก็มันก็เป็นสังขารที่ตายใช่ไหมเกิดแก่เจ็บตายแต่เราเนี่ยมันก็อยู่ในความว่างเห็นไหมรอบตัวเรามันว่างไงแต่ในความว่างเนี่ยมันมีความรู้มันรู้อะไรก็คือมันรู้เรามันได้แต่รู้เราว่าเราเนี่ยเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้แยกตามที่ที่เล่ามานี่เนาะเป็นผู้แยกขันแล้วมันก็รู้แจ้งเพราะฉะนั้นในความว่างที่มีความรู้เนี่ยไอเนี้ยแหละมันเป็นไม่ใช่ตัวเราแต่มันรู้เราเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเพราะนั้นทิ้งมันไปเสแล้วก็มาคือไม่มีตัวเราเลยนะตอนนี้เข้าใจถึงขั้นที่ไม่มีตัวเราแล้วนี่พอรู้จักแล้วว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่เรียกว่าตัวเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่มีผู้ยึดแล้วเนี่ยถ้าเกับว่าจบแล้วพ้นทุกข์แล้วเพราะไม่มีใครยึดถ้าทุกข์ก็คือไอ้ตัวนี้แหละตัวขนาน้ามันเป็นทุกข์ด้วยตัวมันเองไม่ใช่เราทุกข์แล้วมันละเอียดมากนะแต่ตรงนี้ตรงนีู้มีารจัดก็ ก็ก็ก็เหมือนกับว่าตัวที่รู้อ่ะมันจะไม่มีความสงสัยมันไม่มันจะไม่มีไม่มีข้อกังขาอะไรทั้งสิ้นมันก็แค่รู้เฉยๆแต่ตอนเนี้ยที่สมัยพรกําลังสงสัยกําลังคุยกับท่านกําลังปรึกษาท่านก็คือคนที่กําลังมีตัวตนออยู่ว่าเรารู้เราอะไรแต่ไอตัวอีกตัวหนึ่งที่เขารู้น่ะเขาว่าไม่มีความสงสัยหรอกเขาก็แค่รู้ว่าเนี่ยไอเนี่ยมันเกิดความสงสัย เขาก็แค่รู้ตรงนี้เท่านั้นเองใช่ไหมคะโอเคโอเคอ่นะค่อยๆนะค่อยๆให้ชัดเจนค่อนีให้นะดเจตอนน้เริเริ่มเรเข้าใจแล้วแหละแต่ว่ายังต้องต้องพัฒนาเพื่อให้ชำนาญอีกหน่อยหนึงนะแต่ว่าตอนนี้รับไปนยังเดิมไม่แหละแตาให้รู้ว่ามีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติมีตัวเราหมายถึงว่าไอตัวเราไปทำอะไรเนี่ยเช่นไปแยกไปที่เจรณาอะไรเนี่ยต้องรู้ว่าออไตัวเนี้ยมันเป็นตัวใจยึดถือม่ได้ จะไปเดินขึ้นไปนก็เห็นว่าตัวเดินเนี่ยก็เป็นตัวตายยืดตื่นไม่ได้จะไปนั่งจะไปบันเทิงขึ้นไหนมันเป็นตัวตายยืดตื่นไม่ได้ก็คือรู้มันแล้วก็ทิงหมดเลยคำว่าทิ้งในที่นี้คือไม่ว่าผักใส่หรือผลัเพียงแต่ว่ามันอยู่อย่างของมันอย่างนี้แหละมันยังไม่ตายก็มันเดินบ้างนั่งนอนบ้างก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายไอ้ตัวนี้มันตายอยู่ดีก็แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะจะได้ฟังแล้วจะได้ไม่เปรค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน ใช่คัามสกากนครับหลวงพอ่ <c oughs> พอกอเมื่อวานนี้ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะ<ด>หลวงพ่อเอาตรงนี้ก่อน<ด>ที่ฟังเนี่ยระหว่างหลวงพ่อคุยกับโยมคนนั้นคนนี้เนี่ยโยมมีความเข้าใจในประเด็นพวกนี้อย่างไรไหมเออที่เรากําลังจี้เพื่อให้เกิดความรู้ตัวในปัจจุบันแล้วเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเรารู้ตัวเองเป็นไหมอย่างเงี้ยเออก็ มันก็คิดว่าเป็นนะครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าไอสิ่งที่เราคิดว่าใช่เนี่มันใช่หรือเปล่าอไม่มั่นใจในประเด็นไหนยังไงองลองพูดมาคือมันเหมือนมันเห็นแวบๆบแบบจากเมื่อวานเนี่ยครับที่ที่ตอนที่ผมถามแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ย้อนกลับมาดูเส้จังหวัดให้มันเหมือนได้รับการกระตุกให้เห็นให้เห็นโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าเออมันมีมันมีตัวเราผู้พยายามจะปฏิบัติอะครับ แล้วอันนี้คือโอเคนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้นี่เห็นตัวเราได้ไหมตัวเราเนี่ยที่ยกมือขึ้นมาถามเนี่ยตัวเราที่นั่งหน้าโทรศัพท์หรือว่านั่งหน้าคอมเนี่ยเห็นได้ไหมเห็นครับอ่าแล้วนอกตัวรอบตัวเห็นไหมมันเป็นความว่างใช่ไหมล่ะแต่ในความว่างมันมีความรู้ก็เลยมารู้เราว่าเราเนี่ยตอนเนี้ยนั่งอยู่หน้าคอมหรือว่านั่งอยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้มันรู้เราหมดเลยตรงนี้เห็นตามได้ครัที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ครับครับเออเนี่ยแค่นี้แหละเพียงตรงนี้ให้มาก รู้ปัจจุบันแล้วก็ถ้ารู้ปัจจุบันเป็นเนี่ยก็คือรู้อย่างเนี้ยแต่อย่าไปคิดรู้คือให้รู้เราเหมือนกับว่ามันมีให้ตัวเราเนี่ยดูเดี๋ยว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเหมือนกับมันรู้อยู่แก่ใจได้น่ะเพราะว่ามันรู้จักตัวเราแล้วนี่เนาะใช่ไหมตัวเราคือไม่ใช่แต่แ ค, คนอื่นเออไม่ใช่ตัวหลวงพ่อไม่ใช่ตัวเพื่อนในเนี้แต่มันเป็นตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยมันเป็นสิ่งถูกรู้แล้วก็คือขันทั้งห้ามันเป็นตัวตายให้แจ้งว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่นั่งพูดที่นั่งคุยเนี่ยมันเป็นตัวตาย ตาในที่นี้คือคือต่อไปมันตายอ่ะนะแล้วก็พระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเป็นขันธ์ห้ามันเป็นสิ่งที่ยึดถือไม่ได้ก็รู้ตัวตายเสียแล้วก็ไม่มีใครยึดแต่ก็ให้มันมีอยู่ของมันอย่างนั้นแหละแต่ไม่มีคนยึดแล้วนี่เพราะว่าพ้นไปจากตัวตายมันก็เป็นความไม่มีแต่มันมีความรู้ที่ที่รู้ตัวตายอยู่แต่ทีนี้โยมไม่ต้องไปหาไอไอตัวความรู้ที่มีอยู่ในความว่างนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันเอาตัวเราไปหาแล้วมันก็ไม่เห็นตัวเราเสียเองตรงนั้นเรา<ช>ต้องหยุดหาพอเราหยุดหาปับ๊บก็ รู้ได้เนี่ยว่าเราหยุดหาแล้วเนี่ยลองลองทำดูสิลองหาหาหาแล้วพอตอนหลังเอ้ยไม่เอาแล้วหยุดพอหยุดปับ๊บมันจะรู้ขึ้นมาทันทีเลยว่าไอตัวเราหยุดแล้วอลองไปฝึกซ้อมนะไอนนี้ให้ให้เป็นโจทย์การบ้านเนาะเพราะว่าการฝึกปฏิบัติก็คือแนวนี้แหละคือรู้ตัวในปัจจุบันแต่คนเนี่ยก็ยังรู้ตัวไม่เป็นเพราะว่าเอาตัวไปรู้เอาตัวไปเนี่ยแต่ไม่รู้ตัวเราไงอย่างเวลาเราเล่าเรื่องอะไรนะลองดูดูดูดีๆนะ เวลาเราเล่าเรื่องอะไรนั่นแสดงว่าตัวเราเนี่ยไปรู้ไปพบอะไรมาแล้วแล้วก็เอามาเล่าอย่างเนี้ก็เรียกว่าเราอะเรารู้ถ้าไม่รู้จะเล่าถูกได้ยังไงล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะไอความคูดทั้งหมดเนี่ยที่มาเล่าเนี่ยก็เรียกว่าเรารู้แต่จริงอะไอเรารู้เนี่ยจริงจริงอะทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละมันเป็นสังขารทั้งหมดเลยแต่ทีนี้หลวงพ่อกำลังสอนตอนนี้ก็คือให้รู้เราซึ่งมันจะคนละด้านกับเรารู้ เห็นไหมเรารู้นี่คือมันมีตัวเราเป็นผู้รู้แต่ถ้ารู้เรามันรู้เราไงคือไม่มันมีมันมีไอความความรู้ในความว่างอะไรมันมารู้เราแต่เราก็ไม่ต้องไปหามันอีกเพราะว่าถ้าเราไปหากลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยมันจะบังมันจะบังไอตัวรู้เราเสียก็เลยหยุดหาพอหยุดหาปั๊บมันรู้เลยว่าเราหยุดแล้ว ง, ง่ายง่ายเนี่ยพอสมมติเนี่ยตอนนี้สมมติเราพอโยมพูดขึ้นมาทีนึงเอามันก็รู้เราว่าเราพูดแล้วก็โยมหยุดพูดพอโยมหยุดพูดก็รู้ได้เนี่ยว่าหยุดแล้วเนี่ยซื่อๆ อ, ออย่างนี้ง่ายง่ายเ <c oughs> นี่ยครับตรงเนี้ยผมว่าสําคัญมากเลยครับที่หลวงพ่อเน้นเนี่ยก็เลยอยากเชิญชวนว่าว่าถ้าคือมันที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าอาจขอใช้คำหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อคือที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดว่าเรารู้นะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ย คืออันนี้มันต้องเป็นประสบการณ์ตรงที่มีคนที่รู้เนี่ยชีย้ให้เห็นว่าไอตอนนี้กําลังเป็นเรารู้อยู่แล้วมันจะพลิกกลับมาเป็นรู้เราซึ่งอันนี้ก็เลยจะเชิญชวนว่าถ้าใครที่อยากเพราะว่าตรงนี้ผมว่าถ้าไม่มีใครชี้เนี่ยมันยากมากที่ตัวเองจะเห็นตัวเองมันเหมือนรถจมอยู่ในน้ํานะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าบนบกมันเป็นยังไงจนกระทั่งมีคนดึงขึ้นมาบนบกเฮือกนึงอย่างนี้ครับ อ๋อเราก็เลยรู้ละโอเคบนบกมันเป็นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็คงยังไม่ได้จแจ้งเพราะเราแค่เห็นมันแค่ครั้งสองครั้งก็คงต้องต้องรับกันบ้านหลวงพ่อไปดูต่อนะครับเพียงแต่ว่าตรง น, นี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าถ้าใครที่อยากจะมีประสบการณ์ว่าไอ้ที่ว่าเรารู้กับรู้เราที่หลวงพ่อพูดเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยอยากให้ขึ้นมาลองให้หลวงพ่อช่วยอ้อนดูนะครับเพราะผมว่าตรงเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่มันต้องเป็นเชิงประจักษ์มัน คือคิดยังไงก็ไม่มีทางแต่ถ้าเกิดเราได้เห็นของจริงสดๆที่แบบหลวงพ่อกระตุกให้ดูแล้วเนี่ยเราเออแล้วอย่างเงี้ยมันจะกลับไปทําต่อได้ครับก็ขออนุญาตประมาณนี้ครับหลวงพ่อก่อนก่อนหลวงพ่อจะออกไปฉันเพนนะหลวงพ่อให้พิจารณาอย่างนี้ก่อนนะให้ดูของจริงกันเลยก็ตอนเนี้ยเราเนี่ยเข้าห้องใช่ไหมเขาเรียกว่าเข้าห้องคลับคลับเฮาเนี่ยนะตอนเนี้ยเราเนี่ยหมายถึงว่า ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าตอนนี้เราเนี่ยอยู่ในห้องขับของหลวงพ่อเนาะแล้วก็พอออกก่อนหน้าเนี้ก็จะรู้ว่าเออก่อนหน้าเนี้ยเราเนี่ยอยู่ในห้องขับไหนแล้วก็ถัดจากนี้ไม่รู้เราไปอยู่ห้องไหนอีกแล้วแหละตรงเนี้ยถ้าขาดการพิจารณาเนี่ยมันหลงไปว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องขับแต่จริงอ่ะเราอ่ะตัวที่มีเนื้อมีหนังที่เป็นขันห้าเนี่ยมันนั่งอยู่นอกจอมันไม่ได้เข้าอยู่ในห้องคขับห้องไหนเลยมันนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยเห็นไหม ตรงนี้หลวงพ่อชี้ให้เห็นอะไรเพราะหลวงพ่อบอกทางว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้อยู่ในห้องคลับไหนเลยแต่ห้องคลับนู่นมันเป็นโปรโฟไฟล์บ้างเป็นรูปสั ญ, ญลักษณ์ที่เรากําหนดชื่อแทนตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยมันก็จะไปหลงว่าตอนเนี้เราเข้าไปอยู่ในห้องคลับจริงๆแต่พอได้พิจารณามีความรู้สึกตัวมีสติก็จะรู้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ในคอมเลยเราไม่ได้อยู่ในห้องไหนนี่เรานั่งอยู่บนเก้าอี้นี่หรือบางทีอาจจะเดินอยู่ก็ได้ ตรงนี้เขาเรียกว่ารู้ตัวเองแล้วแล้วรู้ตัวเองเนี่ยไอตัวเองที่อยู่ น, นั่งหน้าคอมอั infinity, นนันั่งบนเก้าอี้เนี่ยไอตัวนี้คือขันห้าเป็นตัวตายเป็นตัวที่เกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายไปแล้วก็ตัวเนี admitted, ้ยจริงๆมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งมารู้ว่าเราเนี่ยตอนเนี้นั่งอยู่บนเก้าอี้เราเนี่ยกําลังเดินอยู่นั่นแหละไอรู้ไอรู้ที่มารู้เราอ่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้อย่างพุทธะเออมันไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นตัวที่ พ้นไปจากตัวเราเพราะฉะนั้นไอตัวที่พ้นไปจากตัวเราคือเป็นตัวที่ไม่ปรากฏตัวมันไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ตัวเราต่างหากซึ่งมันเป็นขันธ์หน้ามันต้องแก่เจ็บตายไปเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราแบบเนี้ยรู้แจ้งรู้ตัวเนี่ยที่นั่งได้พูดได้หัวเราได้มีความรู้มากมายเนี่ยมันเป็นตัวปลอมเสียแล้วมันไม่ใช่ตัวจริง แต่ตัวจริงนูตัวไอ้ที่มารู้เรานู่นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจถูกอย่างเนี้ยมันจะแยกได้ถูกว่าอ๋อไอ้ตัวเราตัวปลอมนี่คือตัวทุกตัวทุกขมันเกิดมามันต้องทุกตั้งแต่ตั้งแต่วันยังค่ำเลยทุกตลอดเวลาเลยทุกเจ็บทุกปวดทุกเมื่อยนะทุกหิวทุกร้อนทุกไม่สบายกายทุกไม่สบายใจทุกทุกทุกแต่ไอ้ตัวที่มันมารู้เราอ่ะมันพ้นทุกเพราะมันไม่มีตัวจะทุกมันมีแต่รู้แจ้งในทุก เพราะนั้นเนี่ยไอตัวที่หลุดพ้นนะ่ะคือพ้นทุกข์ก็คือไอตัวที่มารู้เราแต่มันไม่มีตัวนี่หลวงพ่อชี้ทางแบบเนี้ถ้าเห็นได้เนี่ยรังๆไรๆแล้วเนี่ยก็ไปฝึกเอาให้รู้ตัวเราบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองว่าตัวเรากับไอตัวที่มารู้ตัวเรามันคนละสิ่งกันแล้วก็จะแจ่มแจ้งในทุกและก็จะแจ่มแจ้งในความไม่เป็นทุกข์ mm. เอานะหลวงพ่อก็คงแค่นี้เดี๋ยวไฟล์นี้นะโยม หลวงพ่ออยากจะแนะนำคือให้ไปฟังซ้าฟังซ้ำหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วจะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะแล้วก็ไฟล์เสียงที่บันทึกไว้เนี่ยหลวงพ่อจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ของหลวงพ่อแต่ไม่รู้ว่าถ้าโยมจะแคป ต, ตรงนั้นเนี่ยตรงข้างบนน่นนะที่อยู่ใน u t u b e อะ่ะหลวงพ่อใส่ไว้ไม่รู้แต่ลองทำแล้วมันได้อยู่นะเปิด youtube แล้วก็มันจะมีไอตัวเนี้ยแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปสแกนแล้วมันก็จะเข้ากลุ่ม แล้วในกลุ่มเนี่ยมันจะมีธรรมะที่หลวงพ่อไดอ้อ่ก็เรียกว่าไปพูดที่ไหนอะไรหลวงพ่อก็จะไปแชร์ในนี้ก็ถ้าติดตามก็ลองดูเนาะอ่าไม่คงจะได้เป็นประโยชน์แหละไม่มากก็ น, น้อยก็ฝากไว้อะเราหลวงพ่อก็คงขอจบแค่นี้ก่อนนะโยมจะเออยังไงก็ก็แล้วแต่จะปิดห้องให้ก็ได้เนาะก็ขออวยพรให้ัาตโยมทุกคนอ่ะ